แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาตอนที่สองทีนี้ก็มาถึงตัวแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็เอาที่พูดเป็นอารมพบทตนั่นแหละมาครอบคลุมคือสาระอยู่ในเรื่องที่พูดไปแล้วนั่นเองเพราะได้พูดแล้วว่าอริยสัจสีครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักเว้นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลักเราบรรยัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์หรือหลักอิทธิ ป, ปัญิยตาปฏิจจสมุขบาทกับนิพพานทุกหลักรวมอยู่ในหลักอริยสัจสีทั้งนั้นเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็เท่ากับจับจุดได้ว่า จะต้องเจาะลงไปหาแก่นในนั้นขอย้ำว่าอริยศัสตร์คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติมาสู่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพราะลำพังกฎธรรมชาติเองมันมีอยู่ตามธรรมดาถ้าเรามีรู้วิธีปฏิบัติไม่รู้จุดที่จะเริ่มต้นไม่รู้ลำดับเราก็สับสนพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราได้ประโยชน์ จะกดธรรมชาติโดยสะดวกจึงนำมาจัดรูปตั้งแบบวางระบบไว้ให้เรียกว่าอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงจัดวางอริยาาสัจสี่นั้นโดยทำลำดับให้เห็นชัดเจนเป็นได้ทั้งวิธีสอนทั้งวิธีแก้ปัญหาและวิธีที่จะลงมือทําการต่างๆเมื่อทําตามหลักอริยาาสัจสีความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลยง่ายไปหมดความจริงมีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้ามีปัญญาก็มาค้นพบและเปิดเผยต่อไปนี้เมาจะดูแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็ต้องดูที่หลักความจริงอีกเริ่มด้วยข้อแรก มองว่าพระพุทธศาสนามีท่าทีหรือทัศนะต่อความจริงอย่างไรคือมองดูโลกมองดูธรรมชาติและชีวิตอย่างไรผู้สั้นๆว่าพระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างไรจุดเริ่มต้นนี้ชัดอยู่แล้วในพุทธพจน์ที่พระสวดอยู่เสมอในงานอุทิศกุศลว่าอุ ป, ปาทาวาภิคเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุมีเนื้อความว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามความจริงก็คงอยู่เป็นกฎธรรมดาเป็นความแน่นอนของธรรมชาติว่าดังนี้ดังนี้นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนาพุทธพจนี้เป็นหลักพื้นฐาน เราควรจะเริ่มต้นด้วยหลักนี้นั่นก็คือพระพุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติและกฎธรรมชาติเป็นความจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในพุทธพจนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าตถาคดมารู้ความจริงค้นพบความจริงนี้แล้วจึงบอกกล่าว เปิดเผยแสดงชี้แจงทําให้เข้าใจง่ายว่าดังนี้ดังนี้พุทธพจน์ตอนนี้บอกฐานะของพระศาสดาว่าฐานะของพระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบความจรงิงและนําความจริงนั้นมาเปิดเผยแสดงให้ปรากฏพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติหรือเป็นผู้สร้างผู้บันดาลอะไรขึ้นมาจากความไม่มีพระองค์เพียงแต่แสดงความจริงที่มีอยู่ การที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็เพื่อมาตรัสรู้เข้าถึงความจริงอันนี้ที่มีอยู่ตามธรรมดาความจริงนี้มีอยู่ตามธรรมดาตลอดเวลาไม่มีใครเสกสรรบรรดาลไม่มีผู้สร้างเพราะถ้ามีผู้สร้างก็ต้องมีผู้ที่สร้างผู้สร้างนั้นถ้าผู้สร้างมีได้เองก็แน่นอนเลยว่าสภาวะธรรมก็มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผู้สร้าง มันไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครบิดพันเปลี่ยนแปลงมันได้ผู้ใดมีปัญญาจึงจะรู้เข้าใจและใช้ประโยชน์มันได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะรู้เมื่อเราไม่รู้ความจริงที่เรียกว่ากฎธรรมชาตินี้เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้องเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามความจริงของมัน เมื่อเราไม่รู้ความจริงของมันเราก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกจึงเกิดปัญหาแก่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงของธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องเหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุที่ค้นพบความจริงคือกฎธรรมชาติบางอย่างหรือบางส่วน เมื่อค้นพบแล้วก็นําเอากฎธรรมชาติส่วนนั้นมาใช้ทําอะไรต่างๆได้เช่นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆตั้งแต่เรือกลไฟรถยนต์รถไฟเรือบินตลอดจนคอมพิวเตอร์ได้ก็มาจากความรู้ความจริงของกฎธรรมชาติทั้งนั้นเมื่อรู้แล้วก็จัดการมันได้เอามันมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่รู้ก็ตันติดขัดมีแต่เกิดปัญหา เรื่องนี้ก็ทนองเดียวกับวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์เอาแค่ความจริงของโลกวัตถุส่วนพระพุทธศาสนามองความจริงของโลกและชีวิตทั้งหมดรวมความว่าพระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้วพระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วก็ส่งทาให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างระบบแบบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวกระหว่างเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆนี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเองมาจัดเป็นระบบขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของเราทีนี้ความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาติที่ว่านั้นเป็นอย่างไรก็มีตัวอย่างเช่นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นทุกขังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนของใครที่จะไปสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้เราจะไปยึดถือครอบครองมันจริงไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน หรือดำรงอยู่ตามสภาวะของมันสิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือเป็นตัวตนในบัดนี้ก็คือภาพปรากฏของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกระบวนการของมันเมื่อเหตุปัจจัยมาสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการก็แสดงผลเป็นปรากฏการที่เราเรียกเป็นตัวเป็นตนแต่แท้จริงแล้วตัวตนอย่างนั้นไม่มีมีแต่เพียงภาพปรากฏชั่วคราว ส่วนตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของสิ่งทั้งหลายที่คือเคลื่อนไปเรื่อยเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กันแล้วคือเคลื่อนต่อไปภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นตัวตนที่แท้ที่ย่างยืนทายตัวที่จะยึดถือครอบครองบังคับบัญชาอะไรอะไรได้จึงไม่มี คำว่าอัตตก็คือตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนตายตัวตลอดไปมันคืออัตตาไม่มีเพราะมีแต่ภาพรวมของปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของมันเรียกว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่เป็นตัวตนของใครถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเห็นว่าอ๋อ อะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนก็คือสิ่งที่เป็นปรากฏการ์ชั่วคราวหรือสิ่งที่ดำรงอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นซึ่งเราจะต้องรู้ทันถ้าจะรู้ความจริงของปรากฏการ์เราต้องสืบสาวดูกระบวนการของเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังแล้วเราจะเห็นความจริงและไม่ยึดติดอยู่กับตัวอตัตนี้นี่คือความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องไตรลักษ์ขึ้นไว้เป็นหลักที่เด่นว่าสิ่งทั้งหลายนี้อ น, นิจจังไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อยู่ในภาวะขัดแยง้งถ้าคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความอยากมันก็ฝืนความปรารถนา แล้วก็อนัตตาไม่เป็นตัวตนของใครได้ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือดำรงอยู่ตามสภาวะของมัน